ตอนการให้ความยุติธรรมเป็นความยิ่งใหญ่มีขุนนางอีกท่านหนึ่งแท้ถูรับราชการอยู่ในเรือนจำที่เมืองเจียฝังท่านพักอยู่ในเรือนจำมีเวลาว่างท่านก็จะไปคุยกับพวกนักโทษเพื่อจะได้รู้ความจริงว่านักโทษนั้นทำผิดจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีนักโทษหลายคนที่ไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ท่านจึงทําบันทึกไปมอบให้ผู้บังคับบัญชาการพิจารณาโทษในสมัยนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาคดี3ขั้นตอนด้วยกันเมื่อสอบสวนได้ความอย่างไรในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งตัวนักโทษมายังคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ความอย่างไรแล้วก็นาทูลเกล้าถวายห้องเต้ให้ทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งโดยแยกเสนอนักโทษออกเป็น3ประเภท คือประเภทที่หนึ่งกระทาความผิดจริงประเภทที่สองเป็นนักโทษที่รอาการลงอาญาได้ประเภทที่สเป็นนักโทษที่ควรให้อภัยโทษทั้งหมดนี้ก็สุดแล้วแต่ห้องเต้จะทรงวินิจฉัยอย่างไดอย่างหนึ่งถ้ารับสั่งให้ประหารก็ประหารทันทีส่วนพวกที่รอาการลงอาญาถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสําคัญของห้องเต้ท่านแสตหุนี้ เมื่อท่านสอบสวนได้ความจริงจากนักโทษแล้วท่านก็ทำบันทึกส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำเนียมในสมัยนั้นถ้าผู้ใดสามารถสืบได้ความจริงว่านักโทษไม่ผิดแต่ถูกปรักปราก็จะได้ความดีความชอบแต่ท่านแสตถูนี้ท่านไม่ได้คิดเอาดีเอาชอบกับยกความดีความชอบนั้นให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตน มีความประสงค์แต่จะช่วยแก้ทุกข์ให้กับนักโทษเท่านั้นนักโทษถูกปลดปล่อยเพราะท่านในขณะนั้นสิบกว่าคนรนาษฎรต่างพากันชื่นชมยินดีโดยไม่ทราบว่าที่แท้เป็นการปิดทองหลังพระของท่านแท้ถูนั่นเองท่านแท้ถูยังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าในเมืองหลวงแทๆ้ๆยังมีผู้ถูกปรักปรมมากมายเช่นนี้ถ้าหัวเมืองที่ไกลปืนเที่ยงออกไป จะได้รับความอายุติธรรมขนาดไหนควรที่จะแต่งตั้งคนดีมีความยุติธรรมเป็นผู้ตรวจการไปรื้อฟื้นคดีมาพิจารณาว่าใดพิพากษาลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่าถ้าหนักไปก็ควรผ่อนให้เบาลงถ้าเบาไปก็ต้องเพิ่มให้หนักขึ้นไปอีกเพื่อทรงความยุติธรรมไว้ผู้ใดไม่ได้กระทําผิดก็สมควรปล่อยตัวไปเสียห้องเต้ทรงเห็นชอบด้วย จึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกย้ายกันไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ท่านแสถถูก็ได้รับการแต่งตั้งด้วยอยู่มาคืนหนึ่งท่านฝันไปว่ามีเทวดามาชมเชยท่านว่าการกระทําของท่านเป็นที่ถูกใจฟ้าดินมากความจริงท่านแสถถูมีชะตาชีวิตที่ไร้บทสืบสกุลแต่เนื่องจากความดีครั้งนี้ใหญ่หลวงนักฟ้าดินจึงประทานบุตรชายให้ท่านสามคน ต่อไปจะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ทุกคนต่อมาความฝันนั้นก็กลายเป็นความจริง